เส้นเลือดแตกในสมองตายอีกต่างหากได้ผลเาส่งบัตรสนเทไปในได้ผลวะเขาจะว่าอย่างนั้นอีกเพราะนั้นใครส่งบัตรสนเทมาให้อ่านพอรู้เรื่องแล้วกนฉีกทิ้งพออ่านมาอีกมาข้าวหน้าเนะมันเป็นมีลักษณะยบบก่อนอย่าไปอ่านมันฉีกทิ้งเลยแบบจดหมายหลวงปู่ยาม หลวงปู่จามไปอยู่จังหวัดเชียงใหม่พอไปอยู่แล้วท่นนี้เพราะว่าลาแม่ท่านน่แม่อยากจะให้ผมบวชเหรอเอออยากจะให้บวชถ้าลูกแต่งงานเนี่ยแม่ไม่ดีใจเท่าลูกบวชถ้าลูกบวชแม่จะดีใจมากเพราะลูกมีพ่อแม่มีลูกหลายคน เ, เขาจะเลี้ยงแม่ได้อยู่แล้วแต่ลูกเนี่ย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 เนีนี่มาบนให้ผู้ใหญ่จูมฟังไงผู้ใหญ่จูมเป็นลูกชายของกุญยานะ่ยเฮ้ยสบายทุกคนแล้คุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกใหญ่แล้วนี่นหะแต่นึกห่วงใครไม่ได้ก็นึกห่วงหลวงปู่จามมาเนี่พราะทุกลูกทุกคนมามันพร้อมมันครบอยู่แล้วอถามคนนั้นถามคนนี้ก็สบายทุกคนโอ้ยคงจะเป็นครูบาจามใช่หรือมั้งเป็นยังไงเนาะ ใครติดต่อไปใครถามแต่หลวงปู่ยามเนี่ยถ้าพี่น้องน่ผู้ใหญ่จูนเป็นผู้ใหญ่บ้านเน่เขียนจดหมายไปพอไปถึงแล้วก็จดหมายมัจจาไซอ่านเอานให้เนนอ่านพระอ่านอ่านเป็นจดหมายผู้ใหญ่จูงมาจากไหนมาจากห้วยทรา ย, ายคำชี้เอ้ยสีเก้งพอสีเก้งพอตมากพอรั่วหวจดหมาย มาจากคำชีมุกดาหานฉีกิงคล้ายๆก็ไม่รับรู้รับทราบเลยเอยนเหลวงปู่จามบอกว่าแม่บอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงมีลูกหลายคนนะเพราะนั้นสูเา้าห่วงค่าทำไมข่ า, เ, าเป็นนักพจนักบวชเป็นอิสระแล้วไม่ต้องห่วงนี่แหละแนวปฏิปทาของหลวงปู่จาม หลวงอาของหลวงพ่อเนี่ยถึงขนาดนั่นละ่ะท่านไม่ห่วงบ้านแต่ท่านภาวนาของท่านอยาโอ้อานุษีในประวัติของท่าน เ, าเดินทางน่จนแลบทบแทดล้มแทบตายาบินทาบาทอยู่ในเผาเขาเขาไม่ใส่บาทให้เดินเดินจนจะเป็นลมเเป็นลมสลบไปมันเหนื่อยมากอาพอสลบไปแล้วถึง